สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักถกรุ๊คนชอบเล่าคลิปนี้ผมขอยกเรื่องราวที่ท่านสมาชิกได้แนะนํามาบ้างนะครับเป็นเรื่องราวที่คุณสรันยูได้แนะนําให้ไปเอาข้อมูลจากพันทิปมาถ่ายทอดครับโดยเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดนี้ท่านสมาชิก3 8มแปดเจากเว็บพันทิป .com ได้โพสต์ไว้ให้อ่านกันครับก็บประกอบกับว่าวันเนี้ฝนตกหนักมากครับผมจึงได้ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าคลิปน่าจะสั้นๆ น, นิดหนึ่งเนื่องด้วยว่าผมไม่กล้าที่จะเปิดคอมครับ รวมมันจะพังก็เอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดนี้เป็นเรื่องราวของตำนานผีใยจันทเรื่องราวและตำนานจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงตำนานหมู่บ้านแห่งหนึ่งแห่งจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านนั้นได้เล่าต่อๆกันมาว่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ได้พัฒนาไปตามยุคตามสมัย แสงสว่างจากไฟฟ้าเข้าถึงและก็มีถนนกว้างขวางมีรถปิ้งเข้าออกกันทั้งวันในสมัยนะัเวลานั้นหมู่บ้านแห่งนี้ธุร ก, กันดารไฟฟ้าไม่มีถนนก็แคบแคบแล้วก็ยังมีบ้านของผู้คนอาศัยกันอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือนส่วนมากคนในหมู่บ้านนั้นสมัยนั้นทําอาชีพขายปลาขายไก่และในะหมู่บ้านนี้นี่เองมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งใหญ่โตกว่าใครมีพื้นที่ที่กว้างขวางบ้านหลังนั้นตั้งเด่นสง่ายอยู่ต้นซอย มีผลไม้ปลูกไว้เต็มบ้านเจ้าของนั้นเป็นแค่ยายแก่ๆชื่อยายจันทร์โดยยายจันทร์นั้นก็อยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีหลานมาคอยดูแลซึ่งก็หมายความว่าแกไม่มีคนดูแลทุกๆวันยายจันทรจะตื่นแต่เช้ามารดน้ำต้นไม้และสำรวจข้าวของและผละไม้ว่าหายไปมากแค่ไหนจากนั้นสิ่งที่ยายจันรชอบทำก็คือนั่งอยู่บนหน้าบ้านมองลงมาที่สวนผลไม้ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นแกนั่งแบบนั้นจนพบค่ำจึงเข้านอน ช่วงเวลาที่แกเข้านอนนั้นก็มักจะต้องมีคนปีนกำแพงขโมยผลไม้แกทุกวันเ ย, ยจันก็รู้ดีว่าพวกนั้นมาขโมยผลไม้ของแกแต่แกก็ได้แต่ปล่อยให้มันขโมยไปโดยไม่ว่าอะไรซึ่งอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยว่าตัวแกนั้นอยู่คนเดียวออกไปก็ไม่คุ้มค่าที่จะไปเสี่ยงกับมันซึ่งถ้ามามองดูก็นับว่าแกก็เป็นคนแก่ที่เหงาเหมือนกันเวลาก็ได้ล่วงผ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงวันที่เ ย, ยจันเจ้าของบ้านได้ตายลง เนึ่งงด้ที่แก่ไม่มีลูกไม่มีหลานจึงไม่มีใครมาจัดการกับงานศพของแกมีเรื่องเราจากคนที่เข้าไปเก็บศพแกเล่าว่าเมื่อเข้าไปพบศพแกแกนอนเป็นกองเลือดข้างๆศพมีข้อความว่าสมบัติของกูห้ามใครแตะต้องลูกหลานห้ามมองมือไม้ห้ามจับแม้ตอนกูตายเป็นผีอีเท่ากูจะคอยเฝ้าสมบัติของกู ไอ้อีตนใดเขามายุ่งยามกูจะตามฆ่าหลอกหลอนทั้งโขดซึ่งนั่นก็นับได้ว่าเป็นคําสั่งเสียครั้งสุดท้ายของแกไม่ย้อนไปยามที่ยายจันยังมีชีวิตอยู่แกก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวส่วนผู้ลูกหลานของแกนั้นก็หายหมดจะกลับมาเยี่ยมแกทั้งทีก็มาตอนแกไม่สบายใกล้ตายนั่นแหละด้วยความที่แกนั้นต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาตลอดชีวิตแกและเมื่อยามที่ยายจันได้ตายลงไปสมบัติทั้งหลายของแกจึงไม่ได้ถูกยกให้ใคร โดยมีพินัยกรรมหรือกระดาษเก่าๆข้อความว่ากูใหญ่จันเจ้าของทุกอย่างในที่ดินนี้มีลูกหลานเป็นสิบกว่าคนแต่ไม่สามารถถึงพาใครได้ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยเข้ามาเยี่ยมเยียนเมื่อใดที่กูตายอย่าเยียบเข้าบ้านกูสมบัติกูก็จะไม่ให้ใครทั้งนั้นกูจะอยู่ดูแลเองเมื่อใหย่จันตายลงบ้านหลังนั้นก็ถูกปิดตายแล้วกุญแจแน่นหนา อาการตายของเยจันนั้นมันก็นับได้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่ากลัวทุกคนในหมู่บ้านนั้นต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาที่ว่าจะต้องผวา น, นั้นก็เพราะทุกคนในหมู่บ้านที่จําเป็นจะต้องเดินผ่านหน้าบ้านแกในเวลากลางคืนและก็เหมือนกับฟ้า น, นั้นบรรดาลให้เวนกรรมนั้นต้องไปตกจุกกับพวกที่ทํางานนอกบ้านและต้องกลับบ้านในเวลาดึกๆเวลาที่ใครเดินผ่านบ้านแกเป็นอันต้องวิ่งหน้าตั้งกับทุกคน จะว่าไปก็มีบางคนที่ไม่กลัวอยากลองดีและก็เดินเฉชอเสร็จนั้นก็จ้องมองเข้าไปในบ้านของแกแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะผู้ที่ใจกล้านั้นก็จะได้เห็นผีเ ย, ยจันทร์นั่งอยู่ต้นมะม่วงฉี้หน้าดาตาวารองหมามาขโมยของกูใช่ไหมไปหีพ้นบ้านกูเลยนะเมื่อเจออย่างนั้นแล้วใครที่ว่ากล้าหาญก็มักจะไม่เหลือความใกล้ต่อไปวิ่งหน้าตั้งเช่นกัน ชาวบ้านทุกคนที่ไม่เหตุจำเป็นต้องเดินทางในเวลากลางคืนจะหวาดผวากันมากเพราะว่าทั้งบรรยากาศของบ้านหลังนั้นบวกกับความเหี้ยนของยายจันทร์บ้านหลังใหญ่ที่มืดสนิทและก็มีส่วนผลไม้รอบบ้านและแถมยังมีผีเฝ้าด้วยยิ่งคิดถึงเมื่อไหร่มันก็ทําให้คนลุกเมื่อ น, นั้นความเฮี้ยนของผียายจันท์นั้นเหี้ยนมากเหี้ยนจนไม่มีใครกล้าที่จะกลับบ้านมืดๆกันเลยเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเริ่มมีรถรับจ้างมาคอยให้บริการคนในหมู่บ้าน ก็คือรถซาเลงเก่าๆนั่นเองมีด้วยกันอยู่ 4- ีห้าคนมาจอดรถต่เรียงแถวคอยรับส่งคนในหมู่บ้านและคนนอกหมู่บ้านด้วยเหตุที่คนขับรถรับจ้างทุกคนเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเหล่านั้นจึงไม่ได้รู้เรื่องของผียายจันทรซึ่งคนในหมู่บ้านก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ถามหรือไม่คนในหมู่บ้านก็ไม่อยากจะพูดถึงคนในหมู่บ้านเวลากลับบ้านดึกๆ ก, ก็ได้อาศัรถ ร, ถรับจ้างซาเลงนี่แหละไปส่งถึงหน้าบ้าน คนขับรถตาเล้งนั้นก็สังเกตดูว่าบ้านใหญ่จันรนั้นไม่มีคนอยู่แต่บ้านหลังนั้นก็ยังดูดีไม่ทุดโทรมแถมยังมีผลไม้เต็มไปหมดเมื่อสังเกต ด, ดีแล้วจึงได้คิดวางแผนขโมยผลไม้ในบ้านใหญ่จันร์คืนนั้นเมื่อส่งลูกขาในหมู่บ้านเสร็จขากลับจึงได้ขับรถเข้าไปในบ้านใหญ่จันทรเพื่อจะขโมยผลไม้บรรยากาศรอบๆกายมันช่างเงียบดีแท้เลี้ยวซ้ายแลขวาไม่มีใครเห็นแน่ๆเมื่อมั่นใจดีแล้วจึงลงมือปีนกำแพงทันที ทางมันโล่งดีจริงๆจะเก็บไปเยอะๆเลยทำไมนะคนแถวนี้ถึงปล่อยให้ดกเต็มต้นไม่มาเก็บกเลยความเงียบและความมังเวงของบ้านหลังนี้ไม่ใช่อุปสรรคแต่แล้วขณะที่ปีนกำแพงกันเลยจะถึงยอดต้นมะม่วงรู้สึกได้ว่ามีการสั่นไหวมาจากด้านบนของยอดระหว่างที่คิดสงสัยอยู่นั้นสายตา ก, ก็พลันเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างตั้งใจแล้วก็ค่อยๆแงงหน้าขึ้นไปดูสิ่งที่มองเห็นท่ามกลางแสงจันทร์แล้วก็อยู่ด้านบนหัวตัวเองก็คือ ร่างของผีราคนหนึ่งนั่นยืนยองบต้นไมด้ดวงตาสีขาวโพลนอาปากกว้างมากพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องอย่างดังเม<อ>ื่อเห็นภาพบนหน้าสับพึ่งในระยะเผาคนขนาดนั้นคนขับรถตาเล้งตกใจถึงกับพลัดตกจากกำแพงเมื่อตั้งหลักได้ก็วิ่งหนีจนลืมรถเสียงนั้นเสียงขผียัยจันทร์ยังดังก้องอยู่ในรูหูทำให้คนขับรถคันนั้นหูบอดไม่สามารถได้ยินเสียงจากภายนอจกจะกลับได้ยินแต่เสียงผียัยจัน์ตลอดเวลา เรื่องที่น่าแปลกอีกเรื่องหนึ่งก็คือตาเล้งที่คนขับลืมก็ไปไว้อยู่ในบ้านเยจันรนั้นทั้งทั้งที่บ้านนั้นถูกปิดตายไม่มีใครเข้าไปได้แต่รถกลับเข้าไปจอดอยู่ได้ผีเยจันกลายเป็นปริศนาที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ผู้ที่ล็อกกุญแจบ้านให้เยจันทรบอกว่าผมเผากุญแจไปพร้อมกับศพเยจันแล้วครับแต่ก็ยังมีซาเล้งที่ไม่กลัวยังคงรับจ้างให้บริการต่อไปแล้ววันหนึ่งก็มีคนขับรถตาเล้งคนหนึง่งอยากไปลองดีที่บ้านผีเยจันทร์ เมื่อเขาได้ไปถึงการลองดีจึงได้เริ่มขึ้นแกจันไรตายเล็กจะหวงสมบัติไปทําไมรอกเพื่อนกูจนหูบอดได้อยังหลอกคนในหมู่บ้านนี่อีกวันนี้กูมาทา้าแน่จริงมึงออกมาสู้กับกูกูจะตกไปความเลยกูจะเอาของไปขายให้หมดจากนั้นสารเลี้ยงคนนี้ก็ปีนรั้วบ้านใหญ่จันเก็บมะม่วงคว่างลไปบนพื้นถนนเต็ไปหมดเก็บไปแล้วก็บ่นไปไหนล่ะผีอีแกออกมาเด้ออกมาสิโว่เมื่อมองแล้วไม่มีผีจึงได้หันหลังตเตรียมตัวจะกระโดดลงมาจากกำแพง พลันขูนั้นก็เดินไปได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงคนกำลังรดน้ำต้นไม้ปากก็ร้องเดลงไปด้วยวัดเอ้ยวัดโบดผีตานตนโนดอยู่เจตนเอ่ยพอคุณทองก็ไปปล้นเออยป่านชนี้ไม่เห็นมาอาค่ขดข่าวใส่หอเอ่ยขอเรือไปตามหา เขาเล่าลือมาว่าพอคุณทองตายแล้วเฮ้ยคนขับซาเลงจึงได้รีบหันกลับไปดูสายตาก็ได้ไปเห็นผียายจันทรเต็มๆซึ่งตอนนี้กําลังยืนอยู่ที่ใต้โคนต้นมะม่วงไม่เพียงแค่นั้นผียายจันเกียกต่กายปีนขึ้นมาหาคนขับรถตาเลงแต่วินาทีนั้นคนขับรถตาเลงช็อกจนตกลงมาจากกําแพงตั้งตัวได้ก็รีบขี่รถออกไป ปาก็ร้องโวยวายพาไปผีช่วยกูด้วยช่วยด้วยขี่รถหนีไปด้วยความตกใจสุดขีดสายตาก็เหลือบไปมองกระจกมองข้างปรากฏร่างของผียีจันนั่งอยู่ข้างหลังหน้าตายอョ้ยหัวรองเสียงแหลมแหลมจะตบกจะตบกูนะตบเซ่ทำอะไรไม่ถูกแล้วสติสตังแตกกระเจิงทิงรถแล้วก็วิ่งหน้าตั้งต่อไปชาวบ้านเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้น จึงพักกันร้องเรียนกับทางผู้ใหญ่บ้านให้รือบ้านหญ่จันทิ้งผู้ใหญ่บ้านเองก็อยากได้ที่ดินของยายจันทร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าชาวบ้านเดือดร้อนจึงเข้าแผนของเขาผู้ใหญ่บ้านวางแผนจะทุบทิ้งแล้วก็ซื้อต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวล น, นั้นมีอันไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้เหตุเพราะว่าอยู่ๆผู้ใหญ่บ้านก็หายตัวไปหายไปเฉยๆอ ย, ย่างไรร่องรอยชาวบ้านจึงได้ช่วยกันตามหาแล้วก็ไปดูที่บ้านใหญ่จันท์แต่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้ ช่วกันตามหากันอยู่เกือบ3ามสัปดาห์แล้วก็ได้เจอจนได้สภาพที่เจอก็คือกลายเป็นศพถูกแผ่นคออยู่หน้ารูบ้านใหญ่จันทร์สภาพศพขึ้นอืดเต็มที่ตาถลนลิ้นจุก ป, ปากมันน่าแปลกที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครพบศพตั้งแต่นั้นชาวบ้านเลยไม่กล้าไปยุ่งกับบ้านใหญ่จันทร์อีกด้วยกลัวว่าจะต้องตายแบบผู้ใหญ่บ้านเหตุการณ์นี้ทําให้ผีใหญ่จันทร์โกรธเคืองมากทุกคืนทั้งหมู่บ้านจะต้องได้ยินเสียงผีใหญ่จันทร์กรีดร้อง เวลาเพียงแค่หนึ่งทุ่มทุกบ้านจะปิดประตูมิดชิดมีคนเล่าว่าผีเ ย, ยจันนั้นเดินเข้าประตูถามทุกบ้านช่างฟ้องช่างยุวางมากช่ไหมกูจะตัดลิ้นผวกมึงทิ้งยายจันเริ่มแก้แค้นผู้ที่เอาเรื่องแก่ไฟ้องผู้ใหญ่บ้านโดยเริ่มจากตัวแกนนําป้าคนนี้ชื่อป้าแดงเป็นญาติห่างของผู้ใหญ่บ้านแดงได้รับข้อเสนอของผู้ใหญ่บ้านพระธยชุยงคนในหมู่บ้านให้ลงบัติหรือ บ, บ้านเ ย, ยจันทิ้งได้ ป้าแดงจะได้ส่วนแบ่งจำนวนมากจึงทำให้เกิดความโลภยุยงและเป่าหูให้ชาวบ้านเชื่อคำของตนชาวบ้านก็เชื่ออย่างง่ายดายเพราะใจก็กลัวผีใยจันอยู่แล้วข่าวการตายของผู้ใหญ่บ้านเป็นที่พูดถึงในช่วงนั้นชาวบ้านคิดไปแต่ต่างนานานะว่าผู้ใหญ่บ้านตายเพราะผีใยจันฆ่าป้าแดงเมื่อรู้การตายแบบปริศนาของผู้ใหญ่บ้านก็เกิดความกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านไปเจอผู้คนแล้วคืนหนึ่งผีใยจันก็ไปหาป้าแดงเคาะประตูเรียก อีแดงอีแดงออกมากูจะเอาเหมือไปอยู่กับไอ้ผู้ใหญ่ออกมาจากเหตุการณ์นั้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื้อตัวประแดงเริ่มมีกลิ่นเน่ามีแผลขึ้นตามตัวแขนขาบิดเบี้ยวผิดรูปพูดคุยอยู่คนเดียวตาก็เลือกไปเลือกมา ในระยะเวลาไม่นานป้แดงกลายเป็นคนบ้าพูดถึงแต่ยายจันทร์จนวันหนึ่งป้แดงกรีดเสียงดังวิ่งตรงไปที่บ้านของยายจันทรร้องไห้ฟูมไฟหันหน้าพูดกับบ้านยายจันทร์อย่างเดียวว่ากูขอโทษกูขอโทษปล่อยกูไปเถอะอย่าหักแขนหักขากูอีกเลยนะกูจะทำบุญไปให้ไม่ไม่กูเจ็บหมดแล้วไม่หักแล้วจะทำอะไรจะทำอะไรปล่อยกูป้แดงดิ้นทุรุทุรายเอามือคู่ปากแล้วก็ดึงลิ้นตัวเองออกมา โอ้ยโอ้ยปล่อยกูไปเถอะยังพูดไม่ทันจบแกก็ดึงหินตัวเองจนขาดนอนชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นชาวบ้านที่เห็นไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือจนแกหยุดดิ้นแล้วตายไปเองส่วนคนที่เหลือก็เป็นใบ้ไปเฉยเฉยหรือบางคนก็เดินไปผูกคอตายที่โรับ้านใหญ่จันก็ขอขอบคุณคุณสรันยูท่านสมาชิก ข, ของเราที่ได้แนะนําให้ผมไปยกเรื่องราวจากเว็บพันทิพที่ท่านสมาชิก3ามแปดเจ็งเว็บพันทิพย์ได้กรุณาแบ่งปันไว้ แลวก็ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนสบายสบายอย่างมีสติโชคดีตลอดการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ๋อแล้วก็ฝันดีนะครับ